สิ่งที่ผมข้องใจสงสัยมันมีหลายอย่างนะครับลุงพอพระบเหีเยวพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดงั้นก็ว่าไปทีละอย่างนึกว่าวันนี้เป็นวันของเธอก็แล้วกันจะได้ไม่เอาไปเที่ยวพูดว่าฉันไม่มีเวลาให้โท่ลุงพอครับตั้งแต่มาอยู่วัดนี้ผมยังไม่เคยเที่ยวไปเลยสักครั้ง แล้วจะเอาลุงพ่อไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงพระหนุ่มปฏิเสธเสียงแข็งแน่ใจนะท่านพระครูคาดคันแน่ใจครับแน่ ใ, นใจร้อยเปอร์เซนต์แล้วเมื่อตะกี้ใครว่าฉันให้โจกคำฟังละ่ะว่าฉันไม่มีเวลาให้เธอพอจะรู้บ้างไหมว่าใครว่าก็พอจะรู้เหมือนกันครับ แต่เขาไม่ได้เอาไปเที่ยวว่านี่ครับเขานั่งไหวตรงนี้ตรงที่ผมนั่งนี่พูดพร้อมกับชี้นิ้วลงที่พื้นการได้ยั่วพระอุปชาเป็นความสุขอันยิ่ยงใหญ่ของพระโบเหียวเอาตัวรอดจนได้นะเอาละ่ะฉันขอชมเชยว่าเธอเก่งฉันยังไม่เคยเห็นใครเก่งอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆ อย่างนี้นะ่ะอย่างไหนครับพระหนุ่มไม่วายยัวก็อย่างที่เรียกว่ามะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูกนะ่ะสิท่านพระครูเฉลยการได้พูดจายหยอกล้อกับน้องชายในอดีตชาติทำให้ท่านมีความสุขแม้ว่าฝ่ายนั้นจะยังไม่รู้ว่าชาติหนึ่งตนเคยเกิดเป็นน้องชายของท่านถ้าอย่างนั้น ลุงพอก็ต้องไปฝึกปาเป่าใหม่หรือไหมก็เพิ่มมาก อ, อกเป็นสี่ตะกร้าถ้ายังปลาไม่ถูกอีกก็เพิ่มเป็นห้าหกเจ็ดหรือแปดตะกร้ามันจะต้องถูกสักลูกหนึ่งจนได้ละครับพระหนุ่มแนะนำเอาละเอาละมัวพูดเย่นเยอะอยู่นั่นแหละจะถามอะไรก็ถามฉันเป็นคนไม่ชอบหายใจทิง้งครับ ผมเองก็ชอบหายใจเป็นการเป็นงานงั้นผมขอเรียนถามข้อของใจเลยนะครับท่านพระครูพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตพระโบเฮียวกำลังจะเอ่ยปากถามก็พอดีกับบุรุษผู้หนึ่งคลานเข้ามาพระนุ่มมีอันต้องถูกขัดคออีกจนได้เท่าแก่เสงงกราบท่านพระครูสามครั้งกราบพระโบเฮียสามครั้งแล้วพูดขึ้นว่า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 ทั้งคุณกิมงอและหนูดงสุดาไมทราบบอกผมมาเท่าแก่เสงตอบอ๋อแล้วจะค้างหรือเปล่าหรือว่ากลัวทางบ้านเขาจะเป็นห่วงไม่ค้างครับผมว่าจะมากราบหลวงพ่อแล้วก็จะกลับถ้าอย่างนั้นก็อยู่ทานอาหารกลางวันเสียก่อนเดี๋ยวชวนโชเฟอร์เข้าไปทานด้วย คงไม่รีบร้อนใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่าทานอาหารกลางวันแล้วจึงจะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่เมตตาพูดพร้อมกับประนมมือไหว้ยมเ่กแก่โชคดีนะที่มาแล้วพบท่านที่จริงวันนี้ท่านต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพแต่ทางผู้จัดเขาขอเลื่อนกระทันหันพระบูเหียวพูดหมายจะเอาบุญเอาคุณหากก็ต้องผิดหวัง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 เขาอยู่ที่บ้านเขาครับแปลว่าโยมเถ่าแก่ได้เห็นนอแล้วใช่ไหมครับลุงเพาะพระบัวเหียวถามอย่างตื่นเต้นถูกแล้วบัวเหียวเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากเย็นแต่ประการใดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถของมนุษย์ผู้มีความเพียรไปได้จริงไหมจริงครับ อาตมาขออนุโมทนานะโยมเท่าแก่มีวิริยะอุตสาหะดีเลือกเกินท่านพระครูเอ่ยปากชมอาตมาก็ขออนุโมทนาด้วยพระบูเหียวพูดรู้สึกดีใจและเสียใจเราคนกันดีใจเพราะลูกศิษย์มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติแต่ที่เสียใจเพราะเกิดความรู้สึกว่า ตนคงจะย่อหย่อนในการทําความเพียรจึงยังไม่บรรลุผลที่มุ่งหมายท่านอยากได้เห็นหนอมานานแต่ก็ยังไม่ได้เท่าแก่เสงปฏิบัติทีหลังแต่กลับได้ก่อนท่านพระอุปชารู้ความคิดของสิทธิจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องเสียอกเสียใจไปหรอกโบวเหี่ยวเ อ, อ๋ยของอย่างนี้ไม่ใช่จะได้กันง่ายๆหรอกนะ แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติชาตินี้แล้วจะได้ในชาตินี้เรื่องของอภิญญานั้นคนที่จะได้ต้องเคยสะสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วอีกประการหนึ่งการที่เธอยังไม่ได้เพราะเธออยากได้จงจําไว้ว่าถ้าอยากแล้วจะไม่ได้ ต้องไม่อยากถึงจะได้ไม่ความว่าอย่างไรครับผมชักงงๆงงเสแล้วก็หมายความว่าที่เธอยังไม่ได้เห็นหนอเพราะเธอไปอยากได้มันนะสิเธอจะต้องทำเฉยๆอย่าไปมุ่งมั่นจนเกินไปแล้วเธอก็จะได้เองท่านพระครูแนะนำแปลว่าผมต้องฝื้นใจใช่ไหมครับ คือทำเป็นไม่อยากได้แบบนี้ก็โกหกตัวเองสิครับเธอก็ต้องทำใจไม่ให้อยากได้จริงๆนะสิไม่งั้นมันก็เป็นการโกรหกตัวเองอย่างที่เธอว่านั่นแหละแล้วถามเท่าแก่เสียงว่าเวลาโยมปฏิบัติธรรมโยมหวังว่าจะได้เห็นหนอไหมตั้งใจไว้เลยไม่ว่า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 เท่าแก่เสียงตอบอย่างคนที่เข้าถึงธรรมโดยแท้พระบูเฮิลฟังแล้วรู้สึกละอายใจเพราะตัวท่านปฏิบัติธรรมชนิดยังมีโลภะความอยากได้เห็นหนอก็คือตัวโลภะนั่นเองลุง่อครับต่อไปนี้ผมจะไม่หวังอีกแล้วครับฟังยมเท่าแก่พูดแล้วผมรู้สึกละอายใจตัวเองนะักผมจะไม่สนใจว่าจะได้เห็นหนอหรือไม่ได้ เพราะมันไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ใช่ไหมครับถูกแล้วบัวเหี่ยวเห็นหนอก็คือการได้ที่พยะจักสุเป็นอภิน ญ, ญาข้อหนึ่งในหกข้อดูเหมือนฉันจะเคยอธิบายให้เธอฟังแล้วว่าอภิญญาห้าข้อแรกนั้นเป็นโลกียะอภิน ญ, ญาปุถุชน คนธรรมดาก็สามารถมีได้หากได้ฌานสี่และสมาธิกล้าแข็งพอแต่อภินยาข้อสุดท้ายที่มีชื่อว่าอาสวัคยญาณนั้นเป็นโลกุตระอภินยาพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะมีได้และเมื่อได้แล้วก็จะไม่เสื่อม ส่วนโลกิยอาอภิญญานั้นเสื่อมได้ถ้าชาญเสื่อมถ้าอย่างนั้นพระอริยะบุคคลชั้นต้นเช่นพระโสดาบันก็ไม่จําเป็นว่าจะได้อภิญญาใช่ไหมครับถูกแล้วและคนที่ได้อภิญญาก็ไม่จําเป็นว่าจะได้เป็นพระโสดาบันเพราะมันไม่เกี่ยวกัน ผู้ที่บรรลุโสดาปติผลเป็นพระโสดาบันนั้นเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามอย่างคือสักยะทิทฐิวิจิกิชิชฌาและสีลพัตตะปรามาตไม่เกี่ยวข้องกับอภินญาแต่ประการใดท่านพระครูอธาาิบายแต่หลวงพ่อครับเมื่อกี้หลวงพ่อว่า พระปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าคารวะแบบนี้จะแปลว่าคารวาะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลอย่างนั้นสิครับอย่างที่หลวงพ่อว่าบางคนได้ถึงยานสิบสาแต่ก็ติดอยู่แค่นั้นไม่เสมอไปหรอกบัวเหี่ยงที่ฉันยกตัวอย่างให้เธอฟังเมื่อกี้นั้นฉันหมายเฉพาะคนที่เขาเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานที่วัด คือขณะอยู่ในวัดอาจได้ถึงญาณ13แต่พอกลับไปบ้านเขาไม่ปฏิบัติต่อเขาก็จะไม่สามารถก้าวไปถึงญาณ14หรือญาณ16ได้แต่คนที่กลับไปแล้วยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นโยมเท่าแก่เป็นต้นแบบนี้ก็อาจบรรลุถึงญาณ1ิบ เป็นพระโสดาบันได้ผู้ที่เป็นครหัสมีโอกาสที่จะบรรลุได้ถึงระดับอนาคามิผลนั่นเทียวไม่ถึงอรหั ต, ตผลหรือครับทำไมไม่ถึงหลอกครับถ้าถึงก็จะต้องบวชในวันนั้นถ้าไม่บวชก็ต้องตายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ บุรุษสูงวัยถามอย่างสงสัยพระโบเฮียวก็กำลังจะถามแบบเดียวกันนี้เพราะภาวะความเป็นอยู่ของครหัดไม่สามารถรองรับภาวะของพระอระหันต์ได้ในสมัยพุทธกาลเคยมีปรากฏที่ครหัดบรรลุอรหัตผลแล้วไม่บวชเพราะท่าน มีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งตาบอดเมื่อท่านบรรลุก็ถูกวัวบ้าขิดถึงแก่ความตายในวันนั้นได้ยินคำว่าวัาวพระโวบเหียวก็ขนลุกสู้โดยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุอาจเป็นด้วยจิตใต้สำนึกของท่านมีความเกี่ยวพันกับอวควายนั่นเองแบบนี้ วัวตนนั้นก็บาปแย่เลยนะครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงถามบาปแน่นอนเพราะเป็นครุกกรรมข้ออรหันต์ตะคาตไม่น่าเลยนะครับท่านเป็นถึงพระอรหันต์ไม่น่ามาเสีชีวิตเพราะถูกวัวบ้าขิดบุรุษสูงวัยรู้สึกปลงสังเวชจะเป็นอะไรก็ตามไม่มีใคร นี้กรรมพ้นพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้ให้ภิกษุฟังว่าเป็นเพราะพระอาราหันต์รูปนี้ท่านเคยสร้างกรรมไว้กับบัวจึงต้องมาชดใช้ฟังท้อยคําของพระอุปชาพระนุ่มก็เสียวาบเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจจึงเสถามเท่าแก่เสงว่าเวลาหนังสมาธิโยมเท่าแก่เคยง่วงไหม ง่วงมากๆจนแม้จะลุกขึ้นเดินก็ยังง่วงนะเคยไหมเคยครับแต่นานมาแล้วดูเหมือนจะตอนที่ปฏิบัติเดือนแรกๆนูนนนะครับบุรุษสูงวัยตอบแล้วยมทำยังไงผมก็พยายามอยู่ในที่แจ้งบ้างรับประทานอาหารให้น้อยลงบ้างนอนบ้างแล้วหายง่วงไหมไม่หายครับ มันยิ่งง่วงหนักขึ้นไปอีกง่วงแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดผมก็พยายามเอาชนะมันด้วยการกําหนดสติอยู่ตลอดเวลาง่วงก็กําหนดว่าง่วงเนาะพอนอนไม่หลับก็กําหนดว่านอนไม่หลับเนาะเมื่อรู้สึกเบื่อก็กําหนดว่าเบื่อเนาะเรียกว่าผมไม่ยอมให้เผลอสติเลยแหละครับ เป็นอย่างนี้อยู่สักสามสี่วันก็หายพอหายผมรู้สึกสบายอกสบายใจมากก็เกิดปิติว่าผมเอาชนะมารได้แล้วและตั้งใจว่าจะเร่งทำความเพียรต่อไปเพราะอายุผมก็มากแล้วจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้หากมัวเห็นแก่กินแก่นอนก็จะทำให้ชีวิตเป็นมันเสียชาติเกิดผมคิดอย่างนี้แหละครับ แล้วโยมสงสัยบ้างไหมว่าอาการเช่นนั้นมันเกิดจากอะไรอาการที่ง่วงมากๆและเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างนะักท่านเจ้าของกุฏิถามมิใช่ท่านไม่รู้คำตอบทว่าต้องการให้บุรุษสูงอายุได้สอนพระหนุ่มทางอ้อมผมคิดว่ามันไม่ใช่ความง่วงธรรมดาธรรมดา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 เมื่อพูดถึงเรื่องง่วงท่านพระครูก็นึกถึงอดีตสมัยที่ท่านอายุสิบสองสิบสามจึงเล่าให้พระบูเหีย่ยและเท่าแก่เสียงฟังเป็นการคลายความเครียดว่าอาตมามีเรื่องขำขำจะเล่าให้ฟังเรื่องง่วงนี่แหละสมัยที่อาตมาอ า, ายุสิบสองสิบสามอาตมาอยู่กับยายพอตีสี่ ยายก็ปลูกแล้วปลูกให้ลุกหงข้าวใส่บาดวิธีปลูกของยายยอดเยี่ยมมากโยมจะลองเอาไปใช้กับลูกหลานก็ได้ท่านบอกเท่าแก่เสงทำอย่างไรครับถามอย่างสนใจก็ไม่ทำอะไรมากตอนแรกก็เข้าไปเขย่าตัวบอกไอ้หนูไอ้หนู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 ท่านว่ายังไงครับพระบูฮิวถามแกก็บอกเง้นยายจะไปเอาไม้เรียวมาช่วยนวดให้น้าหลานนะเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็นคนไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่เตือนแล้วลุง่อทํายังไงครับจะทํายังไงละ่ะฉันก็ต้องรีบลุกขึ้นมาหุงข้าวนะสิทีนี้ข้าวสมัยนั้นนะ่ะ เขาใช้หม้อดินหงแล้วก็ใช้เตาฟืนฉันก็ก่อไฟความง่วงก็เลยจับดุ้นฟืนนั่งหลับอยู่หน้าเตาไฟนั่นแหละยายมาเห็นเข้าก็ตบให้สองฉาดนี่ตบที่หน้านี่ตบข้างซ้ายทีข้างขวาทีท่านทำท่าประกอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับ พระมเมหยวถามอย่างนึกสนุกท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยว่าก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยนึงคุณยายของหลวงพ่อคงจะดุมากนะครับเท่าแก่เสงถามดุหรือไม่ดุอาตมาก็ถูกตีไม่เว้นแต่ละวันเทียวแหละบ้างวันก็ถูกตีสามครั้งหลังอาหารเช้ากลางวัน น, น่าจะแถมก่อนนอนอีกรอบนะครับเพราะเวลาหมอให้ยาเขาจะให้กินหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนพระปูเหียวว่าไปนู่นบางวันก็ได้แถมก่อนนอนด้วยท่านเจ้าของกุฏิสารภาพงั้นแสดงว่าลุงเพาะก็คงไม่เบาเหมือนกันนะครับ พระบูเหียวว่าเอ๋จะว่านหนักก็ไม่เชิงนะเพราะตอนนั้นชันผอมพระอุปชาตั้งใจยั่วลูกศิษย์แม้หลวงพ่อก็รู้ว่าผมไม่ได้หมาความอย่างนั้นคือผมต้องการจะพูดว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ตีทุกวันวันละสามสีครั้งนะ่ะคงจะไม่เบาทีเดียวคือจะต้องเกเรจนขึ้นชื่ออะไรทำนองนี้เก หรือไม่เกยคนเขาก็เรียกฉันว่าไอ้มาหาโจรกันทั้งบางนั่นแหละแล้วหลวงพอ่อเกลียดคุณยายไหมครับถูกคุณยายตีทุกวันแล้วรู้สึกเกลียดคุณยายไหมครับคนเป็นครืัส่ถามตอนนั้นเกลียดแต่ตอนนี้รักเพราะถ้าไม่ได้ไม่เรียวยายอาตมาก็ไม่ได้มาเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้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 พอยายมาปลุกก็บอกยายว่าวันนี้ขอวันหนึ่งเถอะเพราะติวกับเพื่อนเหนื่อยมากขอนอนตื่นสายสักวันยายก็บอกว่าไอ้หนูเองจะนอนยายก็ไม่ว่าหรอกแต่ก่อนจะนอนต้องลุกหุงข้าวใส่บาดก่อนแล้วก็กินข้าวกินปลาเสให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมานอนนี่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 หรือเพราะมือหนักกมไม่ทราบกระทุงเสื้อหมอกข้าวแตกเลยแล้วยายของหลวงพ่อว่ายังไงครับพระโบฮิลถามรู้สึกสนุกสนานกับเรื่องที่ท่านเล่าก็ไม่ว่ายังไงหรอกแต่ตีเสื้ออ่านไปเลยคราวนั้นเล่นเอาหลังลายไปหลายวันแม้ชีวิตหลวงพ่อนี่โหลดผลดีจังนะครับ ราหนุ่มว่าใช่ก็ทำให้มีชีวิตชีวาดีเหมือนกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยังนึกขำอยู่จนทุกวันนี้คือเรื่องลเมอใครละเมอครับหลวงพ่อหรือคุณยายเท่าแก่เซงถามอาตมาคือก่อนนอนไปกังวลว่าน้ามันแห้งโอง่ง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 อาตมาตักเอาตักเอาเขาพูดด้วยก็ไม่พูดก็คนละเมอจะรู้เรื่องยังไงจริงไหมท่านถามพระบูเหี่ยจริงครับแล้วเขาบอกไหมครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาบอกเขาตะโกนถามว่าไอ้หนูนึกยังไงลุกขึ้นมาตักน้ำตั้งแต่ตีสี่ฉันก็ไม่พูดกับเขา ดักน้ำเสร็จก็กลับไปนอนจุนรุ่งเช้าแล้วไม่ลุกคุ้งข้าวหรือครับไม่ลุกเพราะยายไม่ได้ปลุกยายไม่อยู่ไปช่วยงานที่บ้านเนื้อพอตื่นเช้ามาก็ตกใจโอ้โหน้ำเต็มโอ่งหมดทั้งยี่สิบโองแถมโอ่งข้าวสารก็มีน้ำเต็มข้าวสารลอยเป็นแพรเลย ลุงพ่อเลยถูกยายตีอ่านไปเลยพระบูฮิวเดาคราวนี้ท่านพระครูตอบอย่างผู้มีชัยว่าโน no คราวนี้ฉันรอดตัวเพราะพอยายกลับมาจากบ้านเหนือก็ถามว่าไอ้หนูใครแช่ข้าวให้ยายฉันก็ตอบว่าผมละเมอตักน้ำใส่องค์เข้าสารกลัวยายตีก็กลัว แต่ยายกลับตอบว่าเออดีบ้านเหนือเขากำลังจะทำขนมจีนงั้นเอ็งรีบเอาไปให้เขาทำแป้งขนมจีนเร็วๆ เ, เข้าเสียงระฆังเพลงดังขึ้นพระโบเหียวกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วลุกเดินไปยังหอฉันท่านพระครู บ, บอกเท่าแก่เสียงว่าไปเชิญไปรับประทานอาหารกอดเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อ สมชายไปเรียกโชเฟอร์มาด้วยสั่งเสร็จท่านก็ขึ้นไปยังชั้นบนของกุฏิเพื่อเขียนหนังสือสอบอารมณ์กรรมฐาน